พระธรรมเทศนาแผ่นที่7 4็ลำดับขออ่านใหม่พระธรรมเทศนาแผ่นที่7 4็ลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่28กลกุมภาพันธ์2558มีชื่อเรื่องว่าเพื่อผู้มีพระคุณและบูชาคุณ วิทยุของเราเนี่กำลังลวงพ่อกำลังโพดอยู่ขณะนี้ลหละจะให้ได้ยินออกไปทางสถานในวิทยุใหญ่วิทยุในวัดของเราคือวิทยุของเรานะกระจายเสียงในท้องที่นายูงน้ำโสมกุดจับบางส่วนสุวนนรรณคูหานะี่ยแหละ แถวบ้านผือสังคมปากชมบางส่วนที่วิทยุร้อยเจ็ดจุดสองห้าเมกะเฮิรดออกจากวัดป่านาคำน้อยวันนี้ครูบาทดลองดูที่หลวงพ่อพูดอยู่ในขณะ น, นี้ถ้าใครไปเปิดทางเปิดในรถน่ะคงจะได้ยินเสียงหลวงพ่อเพราะว่า วันที่สวันที่สามที่สี่จะมีการสวดมนต์ทำบุญในวัดของเราแต่วันวันที่สี่เป็นวันมาฆบูชาด้วยและก็วันที่สมเป็นวันเริ่มงานเป็นวันสวดมนต์เย็นสวดพระพฤฒมงคลแล้วก็จะมีการแสดงธรรมเทศนาปารกงาน ในเย็นวันที่สามมีนาคมพุทธศักราช 2,558 แต่วันนี้เป็นวันที่28กุมภาพันธ์วันนี้คงจะเป็นวันสิ้นเดือนจะมัง้งลุงพ่อเขาไม่ได้ดูปีนี้มี28ถึง29วันแล้วก็วันที่3เป็นวันสวดมนต์เย็น แล้วก็วันที่สเป็นวันมาฆบูช า, าพวกเราจะได้ทำบุญวันมาฆบูชาพร้อมกันก็เป็นการอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณของวัดผู้ที่มาสร้างวัดมาร่วมสร้างวัดกับพวกเราตั้งแต่ปี 2,523 หลวงพ่อมาอยู่ที่นี่มาเริ่มแรกนะแต่มาจำพรรษาจริงปี 2,525 25, ตั้งแต่หลวงพ่อมาริเริ่มสร้างวัด23ท่านหลวงพ่อสดคําสดหลวงพ่อนิพนธ์มาอยู่ที่เป็นผู้หลวงพ่อเป็นผู้ริเริ่มแต่ท่านหลวงพ่อจะได้เข้าไปจำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาดเพราะมีภาระทุระจําเป็นหลวงพ่อก็ได้เข้าไปจำพรรษาปีสองสามสองสี่ แต่พอปีสองห้าลวงพ่อได้ออกจากวัดป่าบ้านตาดมาอยู่ที่วัดป่านาคำน้อยแห่งนี้ <c oughs> ตั้งแต่เริ่มปีสองสามขึ้นมาเนี่ยพี่น้องประชาชนศรัทาาธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าให้ความ เ, าเสียสละในการถุนทรัพย์กำลังกายากาลังทรัพย์ แล้วก็กำลังสติปัญญาออกในแนวความคิดช่วยวัดวาศาสนามาเป็นตั้งแต่คราวนู้นมาถึงวันนี้วัดของเราก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นวัดที่แน่นหนามั่นคงพอสมควรตามภาษาของวัดป่าก็ไม่ใช่วัดหรูหราโอ่อเมือนอยู่ในเมืองแต่ก็เป็นวัดที่ มีธรรมชาติอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแล้วก่อนที่จะเป็นขึ้นมาได้ขนาดนี้ก็ต้องอาศัยทุนทรัพย์อาศัยกำลังพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างที่เมื่อวานวันก่อนพี่น้องผู้สูงอายุอายุ50 60 7บบบปีเพอเผื่อจะถึง80ดสวยซ้ำไปก็มาทำความสะอาดในวัด หลายวันหลวงพ่อเห็นแล้วก็ปลื้มใจกับผู้เฒ่าผู้แก่ให้ความสนใจพัฒนาวัดวาศาสนาของพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละสียงเหล่านี้ทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยหลวงพ่อได้มาประมวลได้มาลำลึกคิดถึงบุญคุณของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ให้การสนับสนุนทั้งทุนทรครับทั้งกาลังกายทั้ง กำลังความคิดที่ช่วยสร้างวัดป่านาคำน้อยแห่งนี้แต่ท่านเหล่านั้นบางท่านก็ยังมีชีวิตอยู่แต่บางท่านก็โรงโรยไปตามอายุสังขารเกิดแก่เจ็บตายพวกเราเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายเมื่ออายุมากแล้วจะอยู่ยังไงท่านเหล่านั้นก็เลยล้มหายตายจากไปหลายท่านทีเดียว พวกเราคิดดูเที่ตั้งแต่ปีสองสามจนถึงปีห้าแปดเนี่ยเป็นเวลาสามสิบกว่าปีเนี่ยจะไม่ให้คนล้มหายตายจากเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเมื่อท่านเหล่านั้นล่วงรับดับขันไปแต่เราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าการกระทำของท่านเหล่านั้นมีทั้งดีมีทั้งชั่วคาชั่ว เราก็ไม่สามารถจะประเมินได้ความดีเราก็ไม่สามารถประเมินได้เพราะฉนั้นพวกเราที่อยู่เบื้องหลังอย่างพวกเราอยู่เดียวนี่แหะปีหนึ่งน่าจะมีการทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณหรือดวงใจท่านเหล่านั้นที่ล่วงลับดับขันไปถ้าว่าท่านเหล่านั้น เ, เมื่อตายไปแล้วไปสถิตยอยู่ณนะถิ่นใดตกทุกข์ได้ยากอย่างไร พวกเราก็ยินดีที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นถ้าว่าท่านเหล่านั้นมีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปถ้าว่าพวกผู้ที่ไปเกิดแล้วก็ขอให้เจริญด้วยอายุวันนสุขะภาละลาบยศสนเสริญสุขถ้าว่าพวกเรายังมีชีวิตอยู่ ที่ได้บำรุงพระพุทธศาสนาบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลก็ขอให้เป็นพลังเกือ้อกูลหนุนจิตใจของพวกเราขอขอให้มีแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมนี่แหละวันที่สจะเป็นวันเจริญพระพุทธมนต์เย็นแล้วก็มีการกล่าวสัมโมทนิจกถาในวันนั้นแต่ก็พุ่งี้เช้าวันที่สี่ พวกเราก็คงจะมีการทําบุญตักบาตรร่วมกันและก็อุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรารคุณอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะฉะนั้นขอบอกกับคณะสัตยาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะวันนั้นถ้าใครระลึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายของตนเองก็มาร่วมกันทําบุญเป็นการการการทําบุญรวมทําบุญรวมญาติ ญาติโกของติกาญาติโยมของหลวงพ่อะะหลวงพ่อก็เหมือนกันนะอ่หลวงพ่อก็ได้บอกพี่พี่น้องๆ้องลูกลูกลานดานเหมือนกันเออหลวงพ่อมีพ่อโยมพ่อของหลวงพ่อก็อได้มามลรณะภาพที่นี่แล้วก็ได้ไปชุมเพิงที่นี่คุณแม่ก็เหมือนกันได้มาระณะที่นี่แล้วก็ได้ไปชุมเพลิงที่นี่เอแล้วก็พี่ชายพี่สะพาย พี่เขยพี่สาวของหลวงพ่อก็ล้มหายตายจากไปหลายคนเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อได้ประมวลมาทําบุญรวมกันเนอะคณะทาญาิโยมลูกๆูกหลานหลานหลวงพ่อเนะอันนี้หลวงพ่อก็ได้ประมวลมาเหมือนกันถ้าเราจะทําบุญให้คนนั้นบังให้คนนี้บังเ อ, อมันก็หลายคนเหลือเกินทั้งปีทั้งเดือนก็เลยยุ่งไปหมดในการทําบุญ ให้ท่านเหล่านั้นเพราะนั้นเราประมวลมารวมกันอรวมกันทั้งหมดขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพี่น้องเอมีหลวงพ่อเนเป็นประธานในการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ในคราวนี้ครั้งนี้แล้วก็บอกกล่าวด้วยน้ําจิตใจให้กับดวงวิญญาณเหล่านั้นนี่แหละอันนี้คือการจะทําบุญในวันที่ สี่ที่จะถึงนี้นะแล้วก็การทำบุญในคราวนี้ครั้งนี้ทางว่ามีผลเกิดขึ้นมามีจตุปัจจัยขึ้นมาในช่วงงานถ้ามันเหลือจากถวายพระถวายการทำบุญถวายพระสงที่มาร่วมงานแล้วที่เรานิมนต์ก็คงไม่มากจตุปัจจัยเหล่านั้นเราจะทำยังไงอันนี้หลวงพ่อก็ได้คิดว่าควรจะรวบรวม แล้วก็ควรจัดให้เป็นก้อนหนึ่งขึ้นมาจะเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่เราก็ไม่ได้มุ่งหวังเราไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะใหเออ้เป็นก้อนเท่านั้นเท่านี้แต่ว่าเมื่อมีมาเราก็อยากจะให้ดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณเหล่านั้นอุทิศส่วนกุศลเพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตามหาบัวเพราะเรามั่นใจว่าเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของ ห, งหลวงตา หลวงตาเป็นพระอรหันต์ท่านก็ประกาศตัวของท่านแล้วอากับกิริยาของท่านที่แสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆพวกเราที่เป็นสิทธิอนุสิทธิ์ทั้งหลายก็ยอมรับว่าองค์หลวงตาเป็นพระที่บริสุทธิ์ทั้งกายทั้งวาจาทางใจเพราะฉะนั้นจะตุปัจจัยที่ได้ได้มามากน้อยเกิดให้ดวงวิญญาณเท่าหลวงนั้นได้สร้างบุญสร้างกุศล สร้างพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาในลําดับต่อไปแต่พวกเราเมื่อได้มาแล้วพวกเราก็คงจะเก็บไว้ก่อนเอาเข้าบัญชีเอาไว้ในเมื่อมีการสร้างพระเจดีย์แต่เดี๋ยวนี้ก่อการสร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตาก็มีการประชุมกันเป็นระลอกละลอกอยู่ไม่ใช่นิ่งดูได้ให้ผู้ออกแบบก็เหมือนกันท่านก็ออกแบบด้วยความตั้งอกตั้งใจการคิดว่า ไม่น่าจะนานนะเจดีของหลวงตาก็คงจะริเริ่มได้พรนั้นเมื่อริเริ่มขึ้นมาเมื่ อ, อไรจะตุปัจจัยของพวกเราที่ได้รวบรวมมากน้อยที่หลวงพ่อได้รับประ ก, กาศในที่สาธารณะวันวางชีลาเลิกครั้งก่อนหลวงพ่อว่าคณะสิทธญาณุสิทธิ์ของหลวงพ่อเนี่ยกลุ่มวัดป่านาคําน้อยของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเป็นหัวหน้าเนี่ยหลวงพ่อรับ <Birmingham>. <S <S <Bow> จะเป็นอามิจบูชาเพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตา50ล้านบาทจะหาให้ได้เพื่อสบทบสร้างเจดีย์ขององค์หลวงตาเพราะหลวงตาได้มาทำคุณูปการให้กับวัดของเราเราะกำแพงอย่างเดียวก็หมดหมดไป20กว่าล้านสมัยเมื่อปี 2537-38-39-34-5 ปีหปีนั้น3าปีน่ที่สร้างกำแพงรอมรอบ จากนั้นท่านก็ได้ทำเรื่องสษะน้ำหลายๆอย่างเขื่อนน้ำที่เป็นประโยชน์ภายในวัดมีแต่พระคุณขององค์หลวงตาที่ให้กับพวกเราเพราะนั้น เ, เมื่อหลว ง, งตาร่วมรับปรับขันไปถึงท่านจะเข้าจุดตินิรพานไปแล้วแต่คุณงามความดีของท่าน พวกเราที่อยู่เป็นลูกเป็นหลานก็ควรจะแสดงออกซึ่งความกตัญญูกะตะเวทีตาที่เราแสดงออกก็คือเป็นอามิชบูชาบูชาด้วยอามิทคือสร้างคิดหาทุนเชื่องสร้างจะถูกพระเจดีย์ถวายองค์หลวงตาส่วนปฏิบัติบูบชานั้นพวกเราก็ได้ทํากันอยู่โดยสม่าเสมอแล้วก็ได้นาพระธรรมคําสอนของท่านมาประกาศเผยแพร่ ให้กับพวกเราได้ยินได้ฟังอยู่ตลอดเวลาเพราะว่านะสถานในวิทยุกาลังประกาศอยู่ขณะนี้เดี๋ยวนี้นะ เ, เราก็เปิดทั้งวันตลอด24ชั่วโมงวิทยุวัดออกจากวัดป่านาคำน้อยของเราแต่หลวงพ่อไม่ได้ประกาศออกมาประกาศเพราะเรารับคลื่นมาจากสถานในวิทยุใหญ่คือคลื่นที่วัดป่าบ้านตาดส่งขึ้นดาวเทียมนะ พอส่งขึ้นดาวเทียมดาวเทียมส่งลงมาที่วัดของเราเราก็รับวิทยุาจากบ้านตาด เ, าเสียงบ้านตาดออกมาอย่างไร เ, เราก็ออกไปอย่างนั้นเพราะนั้นใครสนใจธรรมะรมคำสอนขององค์หลวงต า, อาตอนกลางวันท่านก็จะพูดอีกในรูรปลักษณะหนึ่งท่านไปแสดงธรรมในสถานที่ต่างๆแต่พอถึงสองทุ่มจนถึงตีห้า ให้ฟังเอาเถอะท่านผู้ใดชอบปฏิบัติธรรมมุ่งหวนมุ่งหวังในธรรมมุ่งมั่นในภาคภาวนาจิตภาวนาเราเอาธรรมะขององค์หลวงตาที่อบรมพระ เ, เรื่องจิตภาวนาเรื่องแนวความคิดของพุทธศาสน า, าตั้งแต่สองทุ่มจนถึงตีห้าฟังทางฟังได้เลยเป็นธรรมะที่ลึกซึ้ง อหาฟังได้ยากในยุคปัจจุบันแต่ถ้าว่าตอนกลางวัน <c oughs> ท่านก็พูดเรื่องศีลเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องพาวนากับพี่น้องชาวบ้านให้ได้ฟังทั่วทวไปเป็นแนวทางของพุท ธ, ธะในระดับพื้นฐานแต่พอถึงสองทุ่มตีห้าเนเป็นระดับทางด้านจิตใจแนวความคิดอขององค์หลวงตาที่ท่านประกาศทำคําสอน ท่านปฏิบัติได้อย่างไรท่านรู้เห็นเป็นจริงอย่างไรท่านรู้แจ้งเห็นจริงอย่างไรในทำคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านยกหลวงปู่มั่นที่เป็นอาจารย์ของท่านเป็นแบบฉบับเป็นแบบอยากจากนั้นท่านก็ได้อธิบายธรรมะหาฟังได้ยากในฐานะที่ลุกที่หลวงพ่อเป็นสิทธิ์ขององค์หลวงตา แต่ก็บางคนอาจจะพูดเหมือนกันว่าธรรมดาลูกศิษย์ก็ต้องยกย่องครูใช่ธรรมดาอันนี้คือให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังดูก็แล้วกันยกช่องไปในทางทางที่ปิดหรือทางที่ถูกให้ศึกษาหลวงพ่อเองมั่นใจเพราะหลวงตาเนี่ท่านได้ทั้งปริยัตท่านนี้เป็นมหารู้ศัพท์บาลีรู้ศัพท์ ในการศึกษาของท่านรอบและก็พร้อมกันท่านก็ได้เป็นไปศึกษากระหลวงปู่มั่นก็เป็นที่ยอมรับของหมู่กลุ่มหมู่สหธรรมิกด้วยกันแตีท่านท่านเองท่านก็ประกาศในตัวของท่านท่านไม่ท่านไม่ได้สงสัยในธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านรู้รอบเต็มเปี่ยมแล้วในใจของท่านอันนี้ก็คือองค์หลวงตาที่ท่านประกาศทม เพราะนั้นพวกเราจะได้สร้างพระเจดีย์บูชาพระคุณท่านก็คือเรามั่นใจว่าองคหลวงตาเนี่คือพระอรหันต์ที่ท่านได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลคําน้เนี่ยถ้าพูดไปมันก็เหมือนกับสูงส่งแต่ถึงยังไงให้พวกเราศึกษาให้ศึกษาให้ฟังดูก็แล้วกันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างหลวงพ่อเองก็ไม่ได้บอกให้เชื่อทีเดียวนะ เพียงแต่ชี้นำํำถ้าหลวงพ่อไม่บอกไม่กล่าวไม่แนะนําไม่บอกกล่าวพวกเราก็คงจะมองไม่เห็นแต่เมื่อหลวงพ่อพูดบอกกล่าวอย่างนี้พวกท่านทั้งหลายบางคนอาจเอ้ยหลวงพ่อเีนเวอร์เกินไปยกแต่ครูบาอาจารย์ของตัวเองแต่ถึงยังไงหลวงพ่อไม่บอกบอกไม่ให้ได้ไม่ให้เชื่อนะแต่ให้ศึกษาให้ศึกษาและลงมือปฏิบัติ ด, ด้วยขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังตรัสกับพระสารีบุตรอัครสาวก เบื้องขวาของพระ อ, องค์คือคือนอกออกจากพระพุทธญาณแล้วคือพระสารีบุตรเนี่ยเป็นอัครสาวกนะ่ยดูก่อนสารีบุตรที่เราตะถาคตพูดไปเนี่ตรัสไปนี่นะ่ยเธอเชื่อไหมที่เราพูดออกไปนี่ภนะาษาเรียบุตรกล่าบทูลว่ายังก่อนพระเจ้าข่าเพราะข้าพระ อ, องค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติในเมื่อข้าพระ อ, องค์นําไปปฏิบัติแล้ว ข้าพระองค์จะมากราบภุนพระพุทธ อ, องค์เมื่อภายหลังพระเจ้าข่านี่แหละพวกเราให้ฟังเอาไว้ขนาดพร ะ, พ, ระพุทธเจ้าอัครสาวกพูดต่อกันท่านก็ยังไม่ให้ยังไม่เชื่อไว้ก่อนเพราะได้ยังไม่ได้นำไปปฏิบัติเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินเสียงอะไรมาทุกอย่างนั่นแห อ, อไม่ไหวเสียงวิทยุไม่หวเสียงโทรทัศน์ไม่หวเสียงอะไน พวกเราอย่าเป็นน้อมเองเองไปตามเรื่องสังคมพาไปพวกเราให้ยืนแน่งกันกรองด้วยความรอบคอบเรื่องนี้เป็นมาอย่างไรถูกต้องไหมเป็นธรรมไหมเรื่องอย่างนี้เพราะนั้นพวกเราถ้าตั้งใจอยู่ตั้งความรู้สึกอยู่อย่างนั้นนะใครจะหลอกเราก็หลอกได้ยากนะแต่ถ้าหากว่า ถ้าพวกเราเ ข, ขาคลาพูดอะไรขึ้นมาแล้วต่เชื่อไปหมดนั่นแหละเขาหลอกไปไหนไปได้ทั้งหมดนะท่านนี่ที่ลงที่คนต้มตุนหลอกลวงกันอย่างกัเพราะประเภทอย่างนั้นนะ่ะคือศรัทธาคือความเชื่อเอความเชื่อคํำนี้นะเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อนะเออไม่ใช่ว่าศรัทธาแล้วจะศรัทธาไปหมดทุกอย่างไม่ใช่นะพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ศรัทธาโง่งๆให้ศนระัทธาปัญญานะเออ สิ่งที่ควรเชื่อต้องหาเหตุผลซะก่อนว่าควรเชื่อไหมในเรื่องนี้หรือไม่ควรเชื่อเนี่แหละอันนี้เราต้องใช้ปัญญาของเราเทียบเคียงในที่เราได้เรียนได้ศึกษามาจากนั้นเราก็ถามท่านผู้รู้ที่เรารักเคารพนับถือเลื่อมใสเออเรื่องนี้มันเป็นยังไงระคุณท่านเรื่องนี้มันเป็นยังไงครูบาอาจารย์เรื่องนี้เป็นยังไงหมู่พวกเพื่อน ได้คิดดูไหมถ้าว่าพวกเรามีความาสงสัยตั้งใจหรือว่าใฝ่ในการศึกษาหลวงพ่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราได้ยินได้ฟังแต่ละพวกเราได้ซ้ำเหนียกากานกรองไตรตรองเหตุและผลนั้นๆพวกเราก็จะรู้จริงเห็นแจ้งในเรื่องนั้นๆขึ้นมาเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าใครพูดอะไรลมใบไม้ล้มพัดใบไม้มาแล้วก็จะไปเชื่อทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะทุกวันนี้สื่อต่างๆหลวงพ่อเป็นห่วงเหลือเกินเป็นห่วงพวกเราท่านทั้งหลายเพราะว่าพอสื่อออกมาแล้วก็ไปตามกระแสเขาว่าอย่างไรก็ว่าไปตามไม่ได้คิดเตาอ่านวันไหนควรไม่ควรอย่างไรเราต้องฟังเสก่อนยืนเน่งเสก่อน พอนิ่งเสร็จแล้วนะเรื่องมันเป็นยังไงนั่นแหละบางสิ่งบางอย่างพอจะรู้ได้นะเขาต้องการอย่างหนึ่งเขาก็พูดอีกอย่างหนึ่งสรุปแล้วมันพอมันผ่านไป น, ะนั่นแะการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นี่นี่แหละหนทางพิสูจน์มากการเวลาพิสูจน์คนอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเมื่อวานนี่นะในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนจะรู้ได้ผู้มีศีล หรือไม่มีสินต้องอยู่ด้วยกันนานฮนะไม่ใช่ไปเห็นกันต่อหน้าต่อตาประเดียเด๋ยวประดาาแล้วก็เคารพนับถือเรื่อมใสพอต่อไปนานๆเข้านะี่ความชั่วสิ่งที่ไม่ดีหลังไหลออกมาเป็นกระบุงตะก้าเนะี่ยหลังไหลจนรับไม่ไม่ไหวไม่หวัดไม่ไหวอย่างนั้นก็มีเหมือนกันนะเพราะนั้นท่านจึงมี บทพระบาลีแต่หลวงพ่อจําไม่ได้พระบาลีคํานี้นะ่ะมีพระบาลีนะแต่ความตรัสของพระพุทธเจ้าวะจะรู้ได้ผู้มีศินหรือไม่มีศินต้องอยู่ด้วยกันนานเดังนั้นให้พวกเราท่านไม่ให้ฟังแล้วก็เชื่อแล้วก็อย่างนั้นไปเลยแต่ที่ยังไงอย่าปฏิเสธให้ฟังไปก่อนอย่างที่หลวงพ่อได้พูด ให้ฟังเนี่ยเออลูกหลานเนี่ยหลวงตานี่ยเป็นพระอริยะนะให้พวกเราศึกษาดูนะในธรรมคาสอนของท่านเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นอัตเป็นธรรมทั้งนั้นท่านทำพูดเรื่องศีลเราก็ยอมรับแต่พูดเรื่องสมาธิวิธีการทําสมาธิทําจิตใจให้สงบวิธีเริ่มต้นท่านทํำยังไงท่านก็บอกว่าได้รับจากแนวแถวหลวงปู่มั่นนะบอกมหา อ, อท่านเจอกันวันแรกนะมหา มหาบัวเนะี่อการเรียนการศึกษาของท่านเรียนมามากแต่ท่านอย่านำมาใช้ในขณะนี้นะให้เก็บเข้าตู้เข้าหีบไว้ก่อนอ่าติบเก็บเข้าลึงชักไว้ก่อนอย่าเอาปริยัติมาเปรียบเทียบกับปฏิบัติถ้าว่าท่านมาเปรียบเทียบแล้วท่านจะยุ่งเหยิงวุ่นวายท่านจะไม่รู้จักทางไปทางเดินเพราะนั้นในขณะที่มาศึกษาเนี่ยให้ท่านภาวนาพุทโธเท่านั้น หายใจเข้าพุทธหายใจออกโธขาขวาพุทขาซ้ายโธเวลาปัดกวาดเวียงขวาพุทธเวียงซ้ายโธนี่นะนี่แหละเป็นจุดยืนของท่านนี่แหละหลวงตาท่านก็ปฏิบัติตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นก็เป็นจริงอย่างนั้นจริงจากนั้นก็เมื่อจิตสงบเข้าไปแล้วท่านก็บอกว่าเออมหาเมื่อจิตสงบแล้วให้นำมาพิจารณาออกทางด้านปัญญานะต้องเดินวิปัสสนานะ อย่าให้สงบอยู่เฉยเฉยไม่ได้นะแต่หลวงตามันออกไม่ได้ครับเอท่านพระอาจารย์ครับพ่อแม่ครูอาจารย์ครับมันออกไม่ได้มันเข้าสู่ความสงบนั้นละต้องออกต้องออกมาพิจารณาเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นแนวแถวที่องหลวงตาที่ท่านวางไว้ท่านพูดไว้เป็นแนวแถวแห่งทางแห่งการประพฤติปฏิบัติของท่านทั้งนั้นเพราะฉะนั้นั้เมื่อเราศึกษาแล้วเมื่อออกทางวิปัสสนาแล้วเป็นยังไง ท่านก็เดินทางมรรคทางผลผลที่สุดก็ท่านก็ได้รู้แจง้งเห็นจริงวันที่ท่านรู้แจง้งเห็นจริงท่านก็บอกว่าดูที่ใจมันปล่อยวางที่ใจมีจุดมีตอมผู้รู้อยู่ที่ใดนั้นแหละคือตัวพบตัวชาตินี่นแหละมันเกิดอยู่จุดนั้นท่านก็ปล่อยวางจุดนั้นท่านว่าหมดความรู้ ไม่รู้จะมีอะไรอีกต่อไปเนะนี่แหละอันนี้ก็คือองค์หลวงตาท่านประกาศจากนั้นต่อมาเนี่ยออพอมาช่วงหลังๆ เ, เมืองไทยของเราทางฝ่ายบ้านเมืองทางฝ่ายปริยัตทางฝ่ายปกครองนะฝ่ายปกครองคือฝ่ายปริยัตเจ้าฟ้าเจ้าคุณท่านก็ถกเถียงกันว่า อ, อ น, านิพพานเนี่ยพระนิพพานเนี่ยเป็นอัตตาเนี่ยเป็นอัตตานะ แต่กลุ่มหนึ่งบ่านิพพานเป็นอนัตตาแต่นี้ยเขากดถกเถียงกันเพราะในส่วนเขากดนำทําคําถกเถียงกันน่ ะ, นะออพอลูกศิษย์ลูกหาลูกหลวงตามีเยอะใช่ไห อ, อก็มาถามหลวงตาครับหลวงตาในฐานะที่ท่านภาวนาที่ท่านมั่นใจว่าบริสุทธิ์เนี่ยนิพพานนั่คืออะไรเป็นอัตตาหรืออนัตตาเนี่ยหลวงตาท่านก็ฮึมนัตตา นิพพานไม่ใช่อัตตานิพพานไม่ใช่อนัตตานิพพานคือนิพพานไม่ใช่แต่อัตตานั้นไม่ถูกแล้วนะนิพพานเป็นอัตตาเพราะพระพุทธเจ้ายังทรงมีอยู่อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าไปพบพระพุทธเจ้าได้อันนั้นไม่ถูกไม่ถูกผิดทางแต่นิพพานเป็นอนัตตาจะเป็นอนัตตาได้ยังไงเพราะไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นกุญแจเปิดไปสู่พระนิพพาน และกุญแจจะเป็นอนิพพานเองเป็นมหาสมบัติเองได้อย่างไรนิพพานก็คือนิพพานไม่ใช่ว่ากุญแจจะเป็นนิพพานไม่ใช่อคืออเนจังของเป็นทุกอเนจังคือของไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงร่างกายไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกเป็นทุกก็คือทุกใจของเราเนี่ยพราะเราไม่สบายใจในเรื่องมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุก เราจะยึดว่าเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรนั่นคืออนัตตา อ, อ, อนัตตาเนะนี่ยแหละเป็นกุญแจที่จะเปิดไปสู่มรรคผลนิพพานในเปิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงเบิดความเบื่อหน่ายใครไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นอนัตตาแล้วนะ่ยนั่นแหละเลยไปจากนั้นไปนะคือนิพพานหมดความหมายไม่ไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดอีกเนี่วนนีพูดได้แต่ว่าว นิพพานังปรามังสุขขังนิพพานังปรมันสุญญอย่างนิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเนี่ยนะอย่างที่พระพุทธเจ้าก่อนวันที่ท่านปรินิพานก็เหมือนกันท่านเข้าปฐมฌานตูติจชานตาติจชานจตุทัฌานจนไปถึงเนวสัญญานาสัญญาชัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติ จากนั้นท่านก็ถอยลงมาชานที่เจดที่หที่ห้าที่สที่สามที่สองที่หนึ่งจากนั้นท่านก็ย้อนจากที่หนึ่งที่สองที่สามที่สท่านเข้าไปถึงรูปประชานและอารูปประชานรูปประชานคือชาญที่สอรูปประชานคือเป็นสารที่หพระพุทธเจ้าปรินิพานในระหว่างชาญที่สามกับชานที่สในระหว่างจากนั้นก็ หมดความหมายว่าจะตั้งชื่อว่าอย่างไรเพียงแต่เชื่องตั้งชื่อว่านิพพานท่านไม่ได้ว่าฌานท่านไม่ได้ว่าสมาบัตินี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธญาติทพวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วพวกเราจะรู้เงื่อนแนวทางที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ผู้ปฏิบัติปฏิบัติเช่าชอบปฏิบัติตงอย่างองหลวงตาชี้แจงให้กับพวกเราท่านทั้งหลายฟัง เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสิทธิอณุสิตทั้งหลายนะลูกหลานทั้งหลายได้ยินได้ฟังเสียงอะไรให้พวกเราอยู่ในความสงบนิ่งอนิ่งไม่ใช่ไม่ใช่นิ่งแบบโง่ๆเชื่อๆนะไม่ใช่นิ่งแบบดูดายไม่รับผิดชอบอย่างไม่ใช่พอนิ่งเสร็จแล้วให้กั่นกรองไตรตรองเหตุและผลแต่ถ้าหากว่าพวกเรากระโดดล่โล ด, ด, ด, ดเต้นตามจังหวะที่เขาต้องการนัะ เราจะเสียท่าเสียทีนะลูกหลานคณะัตวาญาติโยมนะให้เราเป็นผูนเ้เน่งแล้วก็ประพฤติปฏิบัติชีวิตนี้มัน ม, มันมันน้อยนักน ะ, เ, ะเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ท่านชินพระชนไปนะั่นแหะญาณสังวรนนะั้นท่านบอกว่าชีวิตนี้น้อยนักท่านบอกอย่างนั้นมันน้อยจริงๆนะิงอมันไม่ถึงร้อยปีแต่ต่างคนก็ต่าง ตายต่างคนก็ต่างไปเพราะฉนั้นอย่าให้เปล่าประโยชน์พวกเราได้เกิดมาพบภพทธศาสนาให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้เออให้หนักแน่นเอาไว้เออไม่ีให้มีสติปัญญารอบคอบออทุกสิ่งทุกอย่างนะนะั่นน่ะเลิ่ประเสริฐนะแต่ถ้าว่าพวกเราอยู่แบบชังกระตายไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีอนาคตอ่ะนะอยู่แบบเลื่อนลอยไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะ เพราะนั้นพวกเราต้องอยู่ด้วยความหวังหวังอะไรหวังพ้นทุกในวัฏฏะสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนพวกเรานะตอเ น, นี่องไปพระสงฆ์อนุมโมทนาให้พร น, นะหลวงพ่อได้พูดออกเสียงนนวันนี้แต่ไม่รู้จะออกเสียงไปที่ไหนก็ไม่รู้เพราะว่าสถานีวิทยุของเรานานมาก พวกเราจะได้ออกเสียงอาจจะตัวตุ่นตัวกระหรอกกระแตกัดสายไฟแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่หลวงพ่อก็บอว่ามันออกมันออกนะแต่ผลี่สุดมันอาจจะไม่ออกก็ได้นะต้งค่อยฟังฟังดูถ้าพูดแต่ยินแล้วก็เออเอาหลวงพ่ออินกําลังพูดนะเดี๋ยวนี้หน้าหลวงพ่ออินวัดป่านาคําน้อยอกําลังพูดให้ลูกหลานทุกคูทุกคนให้ลูกหลานทั้งหลายทุกคนเมื่อได้ยินเสียงให้เป็นคนดี คิดดีทดําดีพูดดี น, ะนี่แหละคําพูดของหลวงพอนะ่อเนดีรู้ไหมชั่วรู้ไหมอันไหนดีอันไหนชั่วถ้าว่าไม่รู้ไม่รู้กับทั้งดีกับทั้งชั่วแล้วก็ไม่รู้จะบอกกันยังไงนะดีงคืออะไรในหลักของในหลักธรรมคาสอนของผู้ใหญ่ยาดีคือศีลห้าชั่วคือคนไม่มีศีลห้าแบบสุดๆนั่นแหละอันนั้นแปลว่าชั่วนะยังไม่มีศีลห้าเลยทําความชั่วอีก นั่นแหละชั่วนะถ้าคิดขึ้นมาหรือคิดไปในทางที่ไม่ดีคิดชั่วถ้าพูดออกมาก็มีตด่ากลาดไปหมดไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ําไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรพูดแกด่าไปเรื่อยอันนั้นคือว่าพูดไม่ดีไม่มีศีลไม่มีธรรมในคำพูดพูดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีคิดไม่ดีล้วนแล้วแต่สิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นนะลูกหลานนะเพราะนั้นต้องคิดดีทําดีพูดดี จึงจะเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมอต่อนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร